เรื่องเล่าผีหลอนตอนสามล้อผีสิงเรื่องราวต่อไปนี้เจ้าของเรื่องได้เล่าว่าเมื่อปีพุทธศักราช2521ข้าพเจ้าได้บวชเป็นสามเณรน้อยที่วัดป่าสาราวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเป็นวัดป่า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 ตำบลในเมืองตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึงสองทุ่มเป็นแบบนี้ประจําพอเลิกเรียนพวกเราก็เดินกลับวัดถ้าเลิกไม่พร้อมกันก็จะต้องเดินกลับคนเดียวซึ่งข้าพเจ้าได้เลิกก่อนก็จะเดินกลับเพียงลําพังก็รู้สึกเฉยๆมากกว่ากลัวเพราะเดินจนชินแล้วเส้นทางระหว่างสองวัดนั้นมีสามล้อ ปันรับจ้างสำหรับผู้ต้องการความสะดวกอีกด้วยอยู่มาวันหนึ่งได้ทราบข่าวว่ามีรถบรรทุกสิบล้อชนคนปั่นสามล้อตายคาที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าคนที่ตายโหงจะต้องนำศพไปฝังที่วัดจนครบห้าปีถึงจะขุดขึ้นมาเผาดังนั้นศพคนถีบสามล้อจึงถูกนำไปฝังใกล้ๆกุฏิ ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ขณะนั้นกุฏิในวัดป่าจะสร้างห่างกันมากและข้อบังคับของทางวัดก็คือห้ามอยู่ด้วยกันคือกุฏิหนึ่งหลังจะต้องอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นคืนหนึ่งหลังจากเลิกเรียนข้าพเจ้าติดธุระกับเพื่อนสามเณรในวัดศรีบุญเรืองพูดคุยธุระกับเพื่อนเกือบสีทุ่ม ก็เดินทางกลับไปยังวัดป่าช่วงนั้นถือว่าเป็นเวลาดึกมากแล้วก่อนถึงวัดป่าราวหนึ่งกิโลเมตรข้าพเจ้าก็เดินมาเรื่อยๆท่ามกลางความมืดสลัวของสองข้างทางที่มีแต่หมู่ไม้ดำทะมึนก็ได้ยินเสียงนกร้องลมพัดยอดไม้หวีดหวิวชวนให้วังเวงใจยิ่งนักข้าพเจ้า จึงปลอบใจตัวเองว่าคงไม่มีอะไรเพราะเคยเดินไปมาคนเดียวอยู่บ่อยครั้งขณะนั้นเองก็ได้ยินเสียงเหมือนคนปั่นสามล้อตามมาจากข้างหลังเมื่อมาถึงใกล้ๆตัวก็มองเห็นสารถีผ้พาโพกหัวสีแดงสะพายย่ามใบโตด้านหลังมีมีดเล่มใหญ่เขาเอ่ยปากทักขึ้นว่าเนนจะเข้าไปวัดป่าใช่ไหม ข้าพเจ้าก็ตอบว่าใช่แล้วยมแต่แล้วใจหนึ่งก็นึกวู่ไปถึงคนถีบสามล้อที่โดนรถสิบล้อชนตายแม้เดี๋ยวนี้ศพก็ยังฝังอยู่ในวัดคนปั่นสามล้อเลยชวนข้าพเจ้าขึ้นรถแต่ข้าพเจ้าก็ปฏิเสธไปบอกว่าจะเดินกลับเองเพราะใกล้จะถึงวัดแล้วแต่เขา ก็ขยันขยอจนข้าพเจ้าใจอ่อนตัดสินใจขึ้นสามล้อจนได้ตอนที่นั่งอยู่นั้นก็นึกสงสัยว่าเวลาเกือบห้าทุ่มแล้วสามล้อคนนี้จะเข้าไปในวัดทำไมแต่ก็ไม่กล้าถามได้แต่คิดอยู่ในใจตลอดทางเราไม่ได้พูดจาอะไรกันเลยจนใกล้จะถึงจุดหมายข้าพเจ้า รู้สึกว่าสามล้อค่อยคอยช้าลงช่วงนั้นมีต้นไม้ปกคลุมแสงสว่างจากไฟฟ้าก็ไม่มีมีแต่แสงสลัวจากดวงจันทร์ในความเงียบเชียบเท่านั้นเมื่อถึงหน้ากุฏิคนทีบีสามล้อก็ถามว่าถึงกุฏิหรือยังข้าพเจ้าก็ตอบว่าถึงแล้วจอดจอดเขาก็ทําตามแต่โดยดีข้าพเจ้าถามว่า เอาเท่าไรยมเขาก็บอกว่าไม่เอาหอกสามเแนนขณะที่ลงจากรถแล้วมองไปที่ใบหน้าของสารธียามดึกก็เห็นใบหน้าเขาดำปีเหมือนไม่ใช่คนเล่นเอาใจระทึกแต่ก็ตอบกับเขาว่าขอบใจมากนะคุณโยมก่อนที่จะเดินขึ้นกุฏิก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง ทำให้ต้องเหลียวมองไปยังคนปั่นสามล้อที่หันหลังกลับคุณพระช่วยเขาปั่นสามล้อไปที่หลุมศพแล้วก็เลือนหายไปข้าพเจ้าสะบัดหน้างุนงงไม่แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดไปหรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงภาพลวงตาก็ได้เพราะขณะนั้นก็ดึกมากแล้วมีเพียงแสงจันทร์ส่องสลัวเท่านั้นเอง เหตุการณ์แปลกประหลาดในคืนนั้นข้าพเจ้าเก็บเงียบไม่ได้เล่าให้เพื่อนๆหรือผู้อื่นฟังเลยแม้แต่คนเดียวรุ่งขึ้นเป็นวันพระคืนนั้นเราก็ไปเรียนที่วัดศรีบุญเรืองตามเคยข้ากลับก็กลับคนเดียวเหมือนคืนก่อนปรากฏว่าได้พบกับสามล้อคนเก่าและเหตุการณ์ก็เหมือนกับคืนแรกทุกประการ ข้าพเจ้าจึงแน่ใจว่าโดนผีสามล้อหลอกหลอนเข้าจริงๆถึงสองคืนติดๆกันในที่สุดจึงนำเรื่องขนหัวลุกไปเล่าให้เพื่อนๆและเจ้าอาวาสฟังท่านอาจารย์จึงแนะนําให้ข้าพเจ้ากรวดน้ําแผ่เมตตาให้กับวิญญาณของสามล้อผู้นั้นข้าพเจ้าก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านแต่โดยดี